แพิกขุโนวาทวักหมวดว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุณีองค์สำหรับลงโทษ450หท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองเท่าไรหนอแลภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุ ผู้ประกอบได้องค์ 5. ภิกษุณีสงศ์ฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสงศ์ไม่พึงไหวภิกษุนั้นองค์5คือ 1. เปิดกายแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย 2. เปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย 3. เปิดองคชาตแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย 4. เปิดไหลทั้งสองแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลาย 5. ชักชวนคฤหัตให้มาคบหารักกับภิกษุณีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสง์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีก ภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสงไม่พึงไหว้ภิกษุนั้นองค์5คือ 1. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุณีทั้งหลาย 2. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุณีทั้งหลาย 3. ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุณีทั้งหลาย 4. ด่าบริพาตภิกษุณีทั้งหลาย 5. ยุยงภิกษุณีทั้งหลายให้แตกกันอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้านี้แลภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสงไม่พึงไหวภิกษุนั้นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบไดยองค์ห้าแม้อื่นอีกภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษ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 ให้มาคบหารักกับภิกษุณีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้านี้แลภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสงไม่พึงไหวภิกษุนั้นองค์สำหรับลงโทษภิกษุณี451ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุณีประกอบได้องค์เท่าไหร่หนอแล สงผึงลงโทษได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคกรัสว่าอุบาลีภิกษุนีประกอบได้องค์ห้สงพึงลงโทษองค์หคือ 1. เปิดกายแสดงแก่พิกษุทั้งหลาย 2. เปิดขาอ่อนแสดงแก่พิกษุทั้งหลาย 3. เปิดองค์กำเนิดแสดงแห่งพิกษุทั้งหลาย สเปิดไหลทั้งสองแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย 5. ชักชวนสตรีคฤรพหัดให้มาคบหารักกับภิกษุอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบด้วยองค์หนี้แลอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกองค์5คือ 1. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3. ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย 4. ด่าบริพาทภิกษุทั้งหลาย 5. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกันอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบได้องค์5นี้แหลอุบาลี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 อุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบด้วยองห้านี้แลองค์ของภิกษุไม่ควรให้โอกาส4ี่ห้ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบได่องค์เท่าไหรหนอแลไม่ควรให้โอวาตแก่ภิกษุณีทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได้องค์าไม่ควรให้อวาดแกภิกษุณีทั้งหลายองค์5คือ 1. เป็นอร ช, ชีสี 2. เป็นคนโง่เขลาสาไม่ใช่เป็นปกตัตะ 4. เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากศาสนา 5. ไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์านี้แล ไม่ควรให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องค์ห้าแม้อื่นอีกไม่ควรให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์หคือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ 4. เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาด 5. ถูกซักถามไม่อาจตอบข้อซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แลไม่ควรให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์าแม้อื่นอีกไม่ควรให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์าคือ 1. ประพฤติไม่สมควรทางกาย 2. ประพฤติไม่สมควรทางวาจา 3. ประพฤติไม่สมควรทั้งทางกายและวาจา 4. ด่าบริภาทภิกษุณีทั้งหลาย 5. เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แล ไม่ควรให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าแม้อื่นอีกไม่ควรให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์ห้าคือ 1. เป็นอรัตชี 2. เป็นคนโง่เขลา 3. ไม่ใช่เป็นปกตัิตะ 4. เป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ5 เป็นผู้ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อุบาลรีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้านี้แลไม่ควรให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวาท453อาท่านพระอุบาลรีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลไม่ควรรับโอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หไม่ควรรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์หคือ 1. ประพฤติไม่สมควรทางกาย 2. ประพฤติไม่สมควรทา ง, ทางวาจา 3. ประพฤติไม่สมควรทั้งทางกายและวาจา 4. ด่าบริพาทภิกษุณีทั้งหลาย หเป็นผู้อยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แลไม่ควรรับให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องห้าแม้อื่นอีกไม่ควรรับให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์หคือ 1. เป็นอรชี 2. เป็นคนโง่เขา 3. ามไม่ใช่เป็นปกตัตตะ 4. เป็นผู้กําลังจะเดินทาง 5. เป็นไข้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบไดยองคหานี้แลไม่ควรรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย454 ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีพิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิษุผู้ประกอบไดยองค์ห้าองค์หคือหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีรขันธ์อันเป็นอเสศะสอง ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นอเศะขะ 3. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอเศะขะ 4. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอเศะขะ 5. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันอันเป็นอเศะขะอุบาลีภิกสุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกสุ ผู้ประกอบไดยองหา้านี้แลองค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วยท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบไดยองค์เท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองห์องห์งหคือ หประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสเคสองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสเคสามประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสเคสี่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสเคห้าประกอบด้วยวิมุตติญาณทัทสนขันธ์อันเป็นอเสเะอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุ ผู้ประกอบไดยองคห5นี้แหลองของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วยอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบไดยองค์5แม้อีกอย่างองค์5คือ 1. ไม่เป็นผู้บรรลุอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัฏ 2. ไม่เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม 3. ไม่เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุติ 4. ไม่เป็นผู้บรรลุปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพาน 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้านี้แหลองค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วยอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าองค์ห้าคือ 1. เป็นผู้บรรลุอัตถปฏิสัมพิทา 2. เป็นผู้บรรลุธรรมะปฏิสัมพิทา 3. า เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทา 4. เป็นผู้บรรลุปฏิพานปฏิสัมพิทา 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบได้องห้านี้แหละิกขุโนวาทวักที่8จบหัวข้อประจำวัก ภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษภิกษุณีพึงลงโทษอีกสองในลงโทษภิกษุณีสามในไม่ให้อวาดไม่ให้อวาดอีกสองในไม่รับให้โอววาดที่ตรัสไว้สองในภิกษุผู้ควรสนทนาที่ตรัสไว้สองใน